คำสอนของพระเจ้าก็วันนี้ก็เป็นการสนทนากันสงสัยประเด็นไหนอย่างไรก็เอามาคุยกันเพราะว่าโดยเฉพาะการศึกษาคำสอนจะเป็นเรื่องที่จําเป็นไงจำเป็นว่าเออเราจะต้องมาทําความเข้าใจเนาะหลายๆอย่างเราจะมาฝึกหัดขัดเกลากันอย่างไรเนี่ยในเบื้องต้นเลยก็อยากจะทําความเข้าใจ ให้เราทาทั้งหลายทำความเข้าใจว่าพระพุทธจาตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณก็ไว้บอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นแ่ไหนวิญญาณมีหเนาะจักรวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมนุวิญญาณนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือจิต ในภาษาบาลีท่านก็ใช้ศัพท์หลายศัพท์คําว่าจิตตะเจตมโนวิญญาณนะหัยะมานัสสเนี่ยเป็นอักของจิตเป็นอักของวิญญาณทั้งนั้นเลยทีนี้วิญญาณเนี่ยหกอย่างก็คือจิตที่เห็นรูปเรียกว่าจากักรวิญญาณจิตที่ได้ยินเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณ จที่รู้กิ่นก็เรียกคาณวิญญาณจิตที่รู้รสก็เรียกชิวหาวิญญาณจิตที่รู้กระทบสัมผัสก็เรียกกายวิญญาณจิตที่คิดก็เรียกว่ามโนวิญญาณใช่ไหมส่วนอีกในหนึ่งก็คือวิญญาณสี่ก็คือกามเาามากาเมจิตรูปจิตรูปจิตแล้วก็โลกุตระจิตคือพอพูดถึงในเรื่องของวิญญาณเนี่ยคนในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่า วิญญาณเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นตัวตนเป็นอัตตาใช่ไหมไปเข้าใจกันอย่างนี้แม้แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาในสติปัฏฐานสูตรก็มีภิกษุรูปหนึ่งใช่ไหมท่านสาติตท่านสาติตพิโคที่ท่านเข้าใจรู้สึกจะไปอยู่ในมหาตันหาสังกะสุจนนั่นแหละท่านก็เข้าใจว่าจิตเนี่ยร่องรอยใช่ไหมท่านก็เข้าใจจิตผิดนั่นจะแปลกใจเลยว่า การที่จะมีคนเข้าใจในเรื่องของวิญญาณผิดพลาดแมเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมกันก็เลยมากเพราะอย่า ผ, ผิดผิดพลาดกันเยอะทีนี้บางทีเราก็ไปเข้าใจนะว่าดวงวิญญาณเนี่ยของพ่อแม่ที่ตายไปแล้วห่วงลูกก็ต้องพาลูกไปอยู่กับตนก็มาเข้าสิงมาอะไรต่างก็เข้าใจกันอีกเยแยะไปหมดเลยนะทีนี้ความความคนส่วนมากยึดถือขันห้าคือรูปรขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นอัตราถ้าตามกล่าวตามหลักของพระศาสนานี่เนีก็หมายความบอกว่าขันห้านะี่ยไม่ใช่อัตราแต่มีอยู่จริงโดยปรมัตน์คาว่ามีอยู่จริงโดยปรมาทัศน์เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสัพที่ท่านใช้กันก็คือเรียกว่าสกายะสกายะตรงนี้ก็คือในชั้นของพอดีกาจาร์ท่านจะใช้คําว่าสันโต สังวิชมาโนเออเออไม่ค่ะท่านจะใช้คำว่าสันโตสันวิสังวิชมาโนกายโยธรรมะสมูโหติสักกายโยก็ท่านจะใช้คําบอกว่าสักกายะสักกายะนี่เป็นชื่อของรูปเวีนาสัญญาสังขารมิอยางใช่ไหมทีนี้ในสมยัยพระพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงบัญญัต ให้ภิกษุจำพรรษาภิกษุได้เที่ยวจาริกไปในช่วงพรรษาตอนนั้นยังไม่ได้บัญญัตินะตามฤดูทั้งสาฤดูทั้งฤดูหนาวดูรอ้อนฤดูฝนไม่ได้หยุดพักต่อมาก็ถูกตีเตียนจากประชาชนทั้งหลายว่าภิกษุสากยะบุตรเที่ยวจาริกไปไม่หยุดยัง้งแม้กระทั่งฤดูฝนก็พากันเหยียดย่ําข้าวกล้าในไร่นาเสียหาย ทำลายชีวิตของต้นไม้ใบหญ้าเป็นจํานวนมากแม้พวกนกเมื่อถึงฤดูผลก็ยังอยู่จํารังของตนไม่เที่ยวร่อนเลนเนี่ ย, ยการที่เขาติเตียนเช่นั้นเพราะเขาเชื่อว่าข้าวกล้าหรือต้นไม้ใบหญ้ามีชีวิตเขาเชื่ออย่างนั้นไงพระพระองค์ก็อาศัยเหตุนี้ก็บัญญัติให้พิสูจําจำปัญหาแล้วก็ห้ามไปค้างแรมณัฐีสามเดือนเนี่ยเยความเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตก็คือเชื่อว่ารูปขัน เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เชื่อเวทน า, าก็มีตัวมีตนสัญญาสังขารมิยานเป็นต้นกันในระยะเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้เสวยทั้งความสุขและความทุกข์ใช่ก็เลยเป็นสคัญว่าเป็นตัวเป็นตนตนี่แหละไอ้ความสาคัญในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าคนส่วนมากเข้าใจขันห้าผิดในขันห้าต่างเขาก็ทำจิตของตนใช่ไหมโรูประคันก็ทำจิต คือเป็นที่อาศัยของนามขันเวทนาขันก็ท mm ํา hmm. กิจของกันในการเสวยทํากิจของต น, นในการเสวยสุขและทุกข์สัญญาขันก็ทํากิจของต น, นโดยการจําสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะสั mm hmm. ขงขารขันคือเจตสิกทั้ ง, งเจตนะส า, า Wine, สัทธาวิริยะเมตตาปัญญ า, า, าเป็นต้นเนี่ยนะหรือเจตสิกฝ่ายไม่ดีโลภะโทสะโมหอิสาเมฉริยะมานาเป็นต้นเขาก็ทํากิจของตนของนตอนและก็ปรุงแต่งกิจทั้งที่ดีและไม่ดีเป็นต้น วิญญาณขันธ์ก็คำกิจตั้งตนคือรู้รูปอารมณ์สตอารมณ์เป็นต้นแต่ชาวโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเขาเชื่อว่าขันธ์ห้าเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้ทํางนานก็เป็นอัตตาไปแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นจริงมีแต่สภาพของอัตาตาใช่ไหมเพราะว่าจะเสวยจํารู้เฉพาะหรือจำอารมณ์ฝ่ายดีหรือไม่ดีปรุงแต่งอารมณ์ฝ่ายดีหรือไม่ดี ต่างๆเหล่านี้ USE, ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนดังนั้นจึงไม่ใช่อัตตาจึงไม่ใช่ตัวตนทีนี้ในความเข้าใจของคนโดยส่วนมากเนี่ยขันห้ามีอยู่จริงโดยปรมาติษฐ์ก็เรียกว่าสักกายะรูปเวนทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมมีอยู่จริงโดยปรมาภิ์ธรรมเขาเรียกว่าสักกายะส่วนความเห็นผิดในรูปเวนทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเห็นผิดในการห้าเรียกว่าทิฏฐิใช่ไหมเรียกว่าทิฏฐิ ถ้าสองคำนี้สองคำนี้มารวมกันเขาเรียกสักกายติทิทก็ปแปลว่าอะไรความเห็นผิดในขันห้าฉะนั้นความเห็นผิดในขันห้านี่นะถ้าถามบ อ, อกว่าเห็นอย่างไรจรึงจะเชื่อเห็นผิดตรงนี้ก็เลยมีสามคำมาเลยเอตังมะมะเอโซอมัสมีเอโซเมียกามะตรงเนี้ยสรุปก็คือเห็นผิดสามในอย่างสามใน เห็นผิดแบบเอตังมะมะอย่างนึ่งเห็นผิดแบบเอโสมิสมิอย่างหนึ่งเห็นผิดแบบเอโสมีตาอย่างหนึ่งใช่ไหมการเห็นผิดก็เห็นผิดแบบนี้เอาเอตังมะมะเห็นผิดแบบไหนเอตังมะมะนี่เห็นผิดว่ารูปนี้ ของเราไอ้ถ้าจำนวนเนี่แปลกันไปแปลกันมาแปลหลายไหนจะบุยเอตังมามาเนี่ยถ้าจะแปลมันเข้าใจทันทีเลยได้ไหแปลอ ย, อยังไงเอตังมามาเี่ยเชื อ, อตัญหาเอาตังมามาเดี๋ยวไปเชื่ อ, อตัญหาแต่ในชัดเขาอาจจะกถาเนี่ยนะ ในชั้นของอรรถกถาในปฏิสัมพิธามมาร์กเนี่ยในชั้นของอรรถกถาของปฏิสัมพิทามมร์เนี่ยนเนี่ยท่านจะแปลบอกว่าเอตัง ม, ะมะามวะนั่นของเราเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญด้วยอํานาจของตันหาเป็นมูล แต่บางแห่งถ้าจะแปลคํนนาว่าเอตังมามาว่ารูปนี้ของเราเนี่ยยึดติดด้วยตัณหาเอานี้ไปเลยนี้หรือ น, น, นะนั่นเนี่ยอันนี้ใช้คำท่านใจกันว่ารูปนี้ของเราเวทนานี้ของเราสัญญานี้ของเราสังขารนี้ของเราวิญญาณนี้ของเราเนี่ยอันนั้นคือยึดติดด้วยตัณหาแต่โดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยเอตังมามามันเป็นชื่อของิฏฐิ แต่มีตัหาเป็นเป็นมูลจะแปลว่านั่นของเราหรือนี่ของเร า, เาก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่สรุปก็คือว่าจะมองท่านใช้คําว่าของกูไปเลยใช่ไหมจบไปเลยแบบนี้ใช่ไหมแปลอย่างนั้นไปเลยก็ก็ก็ว่าไปเอาเข้าใจก็แล้วกันเรื่องภาษาใช่ไหมฮะนี่เค่ยึดติดแบบนี้ ประการต่อมาคือว่าเอสโอมะสมิเอสโอมะสมิ e so เนี่ยเราเป็นนั่นเนี่ยเนี่ยเป็นทิฏฐิที่มีความต้องการด้นหน้าของมานาเป็นมูลเนี่ยบางท่านท่านใช้คําว่านี้เป็นเราเนียยึติดด้วยมานะนี้เป็นเราแต่ตามปกติเนี่ยมานานเนี่ยเกิดร่วมกับทิฏฐิหมไม่ไม่เกิดไม่เกิดร่วมกันกับทิฏฐิไม่เป็นสาชาตธรรมใช่ไหม แต่แต่ท่านในชั้นของพระตราคต อ, อาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นมีมานาเป็นมูลก็แสดงให้เห็นชั้พระทิฏทีที่มีมานาเป็นมูลเพราะลําพังมานาจริงๆเนี่ยมานาต้องอาศัยทิฏทีใช่ไหมถึงจะเห็นผิดใช่ไหมเพราะมานาเนั้นเป็นความสําคัญเป็นความสําคัญฉะนั้นก็ต้องไปดูในลักษณะบอกว่านั่น นั่นคำว่านั่นเป็นเราเนี่ยนะนั่นนั่นเป็นเราเออไม่คล้อไปเราเป็นนั่นเนี่ยนี่เป็นเราหรือเราเป็นนั่นเนี่ยนะยึดติดด้วยมานะประการที่สามก็คือเอโสมีอัตตานี้เป็นตัวตนของเราเนยยึดติดด้วยทิฏฐิโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าความยึดถือด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิเช่นนี้เป็นความยึดถือผิด ยึดถือผิดเป็นตัณหาเนาะยึดติดหรือยึดถือผิดเนี่ยเป็นตัณหาสําคัญผิดเป็นเป็นมานะถ้าเห็นผิดเป็นเนี่ยเสรุปแล้วคือสาประการเนี่ยก็จำไว้การยึดถือผิดการสําคัญผิดการเห็นผิดสิ่งที่ไม่ควรยึดถือนะขันห้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยย่อลงมาแล้วก็คือรูปกับนาม ถาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วว่าพูดถึงในเรื่องของอัตราอจนิยมเนี่ยเพราสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันเป็นสิ่งที่มันดับรวดเร็วมากเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนกับฟ้าแลบเร็วไหมมันดับเร็วมากอย่างกับฟ้าแลบนั่นแหละแต่ว่าศัตร์โลกก็ไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยไปสําคัญผิดว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นเหล่านี้ยนะตรงนี้ก็คือต้องต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าทิศฐีต่างๆเนี่ยนะธรรมะต่างๆกรรมต่างๆที่หยาบช้าเร็วซามไปในสันดานของสัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถุสงสารเนี่ยอนาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ย่อมสืบทอดต่อเนื่องอยู่ในอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย ทำที่หยากช้าเร็วซามก็ทําให้ไปเกิดในอบายภูมิสคือการจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นคนพานชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายว่าโดยต่ําที่สุดก็ได้แก่นั่นแหละพวกสัตว์ที่เกิดในนรกลองมาหน่อยก็พวกนี่หมูหมาเป็ดไก่นี่แหละนะสัตว์ในบายทั้งหลายอย่างที่ได้กล่าวบางคขาก็เป็นหมาพรมสูงกว่านั้นก็เป็นอาพัสรพรมสูงกว่านั้นก็เป็นสุปกินหาพรม สูงกว่า น, นั้นก็เป็นเวหัปราพม์สูงสุดก็เป็นอรู ป, ปรพรมจนถึงเนวสัญญานาสัญญ า, า, ญญายญนณพรมใช่ไหมตรงนี้เคยยกมาครั้งหนึ่งแล้ ว, ลวในในวิพังกปาเลออกขิตตาปุญญาเตเชนกามรูปะคติงคาตาบาว่าคตังปิสัมปตาปุณะคัตฉันติทุก ข, ขะคติบอกว่าสัตว์ผูอันเดชและบุญยกขึ้นแล้ว ถ้าเดชและบุญยกขึ้นแล้วสามารถไปสวยสุขในการมาสุขและรู ป, ปรภูมิในการภูมิรูปภูมิก็ได้แม้สวยสุขในเในวัฏสัญญาณสัญญายาตนะภูมิก็ได้อันเป็นภูมิที่สูงสุดก็ยังสามารถกลับมาเกิดในใบภูมิได้อีกอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าสัตว์ผู้มีทิฏฐิกรรมและธรรมที่ต่ําช้าเร็วซามอยู่เบื้องหน้าขนาดเป็นถึงท้ามหาพรหมก็นับเข้าอยู่ในปุุชนภูมิ ปุตชนบุคคลนั่นแหละถึงนับเข้าในลักษณะอย่างนั้นแล้ว้อยังนับเข้าในโลเกียภู ม, มิใช่ไหมใช่ไใช่ก็อยู่ในภูมิที่ั้นโลเกียแล้วก็เป็นโลเกียบุคคลเหมือนกันท่านบอกก้อนหินเอ่ยหอกเอยเหลาที่บุคคลเนี่ยผู้มีกำลังสั์ขึ้นไปบนอากาศตกลงมาอีกได้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ยันท้ามหาพรหมหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วก็จะมีโอกาสตกมาสู่บาเยภูมิได้อีกเช่นนั้นเหมือนกันไอต้ตรงนี้ก็ทําความเข้าใจให้ชัดนี่แหละคือทิฏฐินี่คือสักยทิฏฐิที่เรามาเรียนรู้กันเรื่องเอตังมะมะเอโสมะสมีเอโสมีตา um um um um ah. นั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไอ้ความสมําคัญผิดตรงนี้นี่แหละที่มันจะชากลากถู ทำให้ความคิดของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยวกวนกันอยู่นี่แหละแล้วก็ออกไม่ได้ในสังสารวะัตรพ้นจากวะตาเป็นต้นไม่ได้ทีนี้สัตว์ที่ชื่อว่าหยาบช้าและเร็วสามก็เพราะความพรั่งพร้อมไปเรีกรรมที่หยาบช้าเร็วสามอยู่ไความเป็นผู้ตั้งอยู่ในการหาภูมิก็ชื่อว่าการหาชาติไอ้การหาจริแปลว่าอะไรอยู่ การหาเปี้ยวอะไรปี้ยว่าดําด้ไมเปี้ยวว่าต่ำได้ไมได้เปลวว่าเร็วได้ไหมเวแต่แปลว่าต่าได้ใช่ไหมเธอการหาชาติก็แปลว่าชาติดำาลยเห็นไมก็คือเกี่ยวกัในเรื่องของความเป็นผู้ตั้งอยู่ในอันดภานภูมิ เรียกคำว่าอันธพาลเนี่ยพาลาธรรมะองค์ธรรมได้แกแ่ในขณะที่โลภะโทสะโมหะจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นเขาเรียกว่าเป็นพานแล้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยสภาวะสองลักษณะปันดิตาธรรมาพาลาธรมานี้จะเกิดตลอดแล้วถามว่าอะไรมันเกิดมากอะไรมันเกิดน้อยก็ปไปคิด ลองไปวิจัยดูที่ว่าระหว่างพลาลชนกับปัณฑิตชนเนี่ยอะไรมันเข้ามาสู่กระแสใจเราบ่อยครั้งที่สุดอันนั้นแหละใครที่เขาถึงบอกเป็นบุคคลนี่ไม่ควรเสพไม่ควรเข้าใกล้แม้จิตของเราที่เป็นผานก็ไม่ควรเสพไม่ควรเข้าใกล้ต้องชัดเจนตรงนั้นเขาต้องบอกว่าพระโวทิศาสเนี่ยท่านไม่ได้รังเกียจบุคคลแต่ท่านเห็นโทษของโมหะที่มันฝังแน่นในกระแสรกรรมลสันดานของศา์ ท่านแยกแยะเป็นใช่ไหมขนาดว่าท่านเหล่านั้นประทุษร้ายท่านนะด้วยการคิดไม่ดีบ้างด้วยการตําหนิบ้างด้วยการประทุษร้ายด้วยกายเป็นต้นบ้างทบตีท่านบ้างแต่ท่านไม่เคยรังเกียจบุคคลเลยนั่นก็คือใจของพระโพธิสัตว์แต่ท่านจะมองเห็นว่ า, โ ม, ามโมหานี้นะโมหานี้หน้าหน้ารังเกียจมาก เราจะต้องปรารถนาเป็นพุทธเจ้าถอนโมหะออกจากกมลสันดานและช่วยให้สัตว์เหล่านี้ถอนโมหะออกจากกมลสันดานให้ได้ยิ่งมีความมุ่งมั่นอย่างใหญ่หลวงในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตนั่นคือใจของพระโพธิสัตว์ทําได้แน่นั่นแยกแยะได้นะว่าอะไรเป็นสักกายะอะไรเป็นที่ิฏฐิ ไอเรามันแยกไม่ออกระหว่างสักกายะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญวาณกับทิฏฐิคือความไปเห็นผิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญวาณมองเห็นอย่างเราแยกไม่ออกแล้วตัดไม่ขาดมันเลยรวมเป็นอันเดียวกันก็เรียกว่าอุปาทาขนขคติไปเลยเนี่ยไปยึดติดแน่นกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจเช่นในขณะที่ฟังทำรรพอฟังทำปุ๊บเกิดความเข้าใจใครเป็นคนเข้าใจ เห็นไหมนี่ยินดีพอใจเป็นตัณหาเราเข้าใจเป็นมานะไหมสำคัญว่าอัตตานี่แหละเป็นผู้ที่ไปเข้าใจเป็นทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิก็เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทุกระดับถามว่าจะมาเรียนเพื่อละตัณหามานะทิฏฐิหรือจะมาเรียนเพื่อพอกพูนตัณหามานะทิฏฐิแล้วจะทำยังไง จะเราแวดระวังยังไงหนึ่งอย่าให้เกิดก่อนขณะฟังธรรมสองหลังฟังธรรมเข้าใจแล้วอย่าให้เกิดเพราะตัณหามาณทิฐิรับโลกยุธรรมเป็นอารมณ์ในหมดฉะนั้นบรรดากุศลธรรมดาเนี่ยทานากุศลสิงกุศลแม้ภาวนากุศลที่กําลังเดินอยู่ในขณะเนี้ยอันนี้แหละเป็นที่ตั้งของตัณหามาณทิฐิดีนะ เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยเป็นอารามมณปจัจแก่ตังหามณฑิทิอย่างรุนแรงด้วยกามว่าถ้าเราเรียนด้วยปัญหามณฑิทิแล้วมันจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลามั้ยเนี่ยเป็นไม่เป็นมันจะไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลามันไม่เป็นไปเพื่อการละมันก็เป็นไปเพื่อการพอกพูนเดี๋ยวไปดูในอารักขูปมัสุ ในมัชฌิมานิการเชื่อมโยงก็จะเห็นชัตมันจะเห็นเลยแหละว่าในที่สุดจริงๆก็เสียหายทั้งๆที่ว่าเรียนพระไตรบิฎกกพนดีหละก็กรูปคําว่าไตรปิฎกนี่แหละแต่ก็รูปคําด้วยตัณหามานะทิฏฐินั่นมันจะได้อะไรนอกจากการไม่เห็นทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทํำนิโรธให้แจ้งแล้วก็ไม่อบรมารีมาเห็นไหมประโยชน์มันได้ตรงไหนเราก็เรียนกันมาอย่างยาวนานแล้วในสัมสารวัตร แต่ในส่วนจริงแล้วก็หัวปักลงมาใบภูมงกันเนี้ยต้องเงยศีรษะออกจะวกก่าตามไม่ได้ถูกกดเดี๋ยวนี้ไอ้ถูกขายคือมิจฉาทิฏฐิถ้านทีบอกว่าเหมือนเราก็ปลาในหนองอ่ะขายคุมข้างบนหมดแล้วคือมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองมีแกนหลักก็คือสักยะทิฏฐิยี่สิบโพก็โพติดขายนั่นแหละโพเมื่อไรก็ติดขายนั่นแหละออกจากขายคือมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ เี๋ยวถ้าไม่เห็นโทษเดี๋ยวนไม่เห็นโทษดมิจฉาทิฏดิมันกาลังคุมกลางคิดเราอยู่เนี่ยเอย่าแปลกใจว่าเออทําไมเราเร า, เราเราเพลิดเพลินเนี่ยเราเรียนอะไรเพลิดเพลินหมดเลยนะมันสนุกมันอัดสาเท่ามันเยอะใช่ไหมใช่มันเหมือนท่องเที่ยว อ, ะอ่ะอ่าโรงเรียนวิชาอะไรโรงเรียนเนี่ยจะเรียนบอร์สศาสตร์โอ้โหชื่นใจจะเรียนคณิตศาสตร์ก็โอ้โหชื่นใจใช่ไหมจะเรียนบัญชีก็โอ้โหสลับซับซ้อน เคยไหมเรียนเอาเรียนเรียนบาลีอ่ะสนุกไหมเรียนบาลีชอบแบบพึ่มใจตรงนั้นพระพระอาจารย์หลงเอาไว้ว่าอาษาบาีคือพวกพุทธเจ้าแล้วก็คิดตรงนี้เ้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนุกแบบอ๋อเป็นศรัทธาเงี้ยเป็นศรัทธาสังเกตทุกขนาดไว้มันเป็นศรัทธาตลอด ก็ไปงั้นแต่ก็กเป็นภาพผ่าเพราะเวลาเดียเขียนภาเาจะเริมร้สว่าอันเนี้ยเราเวลาทำอะไรอยู่อะเี่ยก็จะดนแลให้เราก็ก็ถามว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพูดเจ้าใช่ไหมใช่อ่ะก็ก็เลยนี่เขาแต่พูดเจ้ากรรด้วยคอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยดมาจากพอ เราไม่ได้ยินนะเราไม่ได้ยินแต่เรา ไ, ได้มองเห็นนะแมถ้าคิดอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วโยมนะถ้อย่นีแสดงว่าหสัตว์ทีีแข็งแรงนะโยมไ่แข็งแรงโยมต้องมาหาพระอาจารย์ต้อ ง, <c oughs> ต, องต้องให้บก <c oughs> ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการหาภูมิและอันดภานภูมิคืออะไร การหาภูมิและอันตรธานภูมิก็คือบาปปฏิทีและบาปประกรรมทั้งหลายบาปปฏิทีและบาปประกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าการหาภูมิอันตรธานภูมิถามว่าทําไมมหาพรหมจึงชื่อว่าผู้อยู่ในการหาภูมิและอันตรธานภูมิเพราะเขายังมีอัตตาทิฐิหรือสักกายทิฏฐิที่เห็นผิดว่าเราเห็นผิดว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราตรงนี้แหละเขาจึงเรียกว่าเป็นการหาภูมิแล้วก็ อันถานภูขยายอย่างทีนี้ทีนี้ทีนี้ปัญหาก็เลยบอกว่าอะไรเลยไหมตรงนี้ก็เลยมันกวางข่อยว่าอมันเลยมีอะไรซับซ้อนขึ้นมาหรือไหมซับซ้อนขึ้นมาว่าเท้าหมหาผมก็ไม่ต่างจากเราต้องเหนือก็บอกว่าโยนทำฌานไม่ได้เลย ฉะนั้นอัตติทีเนี่ยเป็นมูลรากของบาปอัฏติทีบาปกรรมแล้วก็บาปทั้งหมดใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นปาณาติบาตินาทานคาเมสุมิฉาจานมุสาวาตปิสุนาวาช า, า, า, า, าพฤรุสวาชาสัพพะราระปะอภิชาพยาบาดมิฉาทิทีนี่คืออัตติทีหรือสักยตทีเป็นมูลรากพวนี้หมดเลยเพราะมิฉาทิทีมิฉาสัพพะใช่หไหมทั้งเกด้วยที มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกระป๋ามิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิจนมิจฉาวิมุติมิจฉายานะเห็นไ้มมันจะไปเงี้ยไอบาปปฏิที่บาปกรรมเนี่ยมันจะเป็นมูลราักของสิ่งเหล่านี้หมดเลยไอแกนหลักก็คือสักยะทิฏฐิยี่สิบนี่แหละไอเนี่ยเป็นมูลรากของบาปทั้งหมดราคาโทสารโมหะเนี่ยที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหยียบแปดมันกระสิบแป๊บเดียวมันก็ไปแล้ว เช่นคนตัวเนี้ใช่ไหมมันจะโกรธก็ได้มันจะชอบก็ได้ไม่จ่าทิฏฐิเนี่ยก็เข้าไปยึดเข้าไปกระซิบปุ๊บปั๊ป๊บป๊บเดียวเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ออกออก็ไม่ได้แล้สังเกตแต่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ต่อให้ยืนอยู่ในห้องก็มาถาถ้าไม่เข้าใจไม่จ่าทิฏีิให้ดีนะในที่สุจริงมันก็สกิดอีกแม้อยู่ในห้องเรียนนี่แหละมันก็ไปสะกิดไปจัดการในที่สุจริงก็ บาปประกรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาตามมาเยอะแยะหมดเลยตรงนี้ก็คือบาปประกรรมบาปปฏิทีห์ทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อบาเมื่อบาปปฏิทีห์บาปรบาประกรมรมเกิดในบายสัตว์ในบายภูมิสัตว์ในกัญหาภูมิสัตว์ที่มืดบอดก็เกิดก็มีขึ้นถ้าความดับหายไปของอัตทิทิดับหายไปของสักตายทินะเพราะบาปปฏิทีห์บาประกรรมแล้วก็บาปธรรมบาปประกรรมทั้งหลายก็สงบลงไปด้วย เมื่อบาปปฏิทิเป็นต้นสงบ ร, ราค้าโปงแล้วเนี่ยนะความต่าช้าเร็วซามทั้งหมดก็พลอยดับลงไปโดยไม่มีเหลือสัตว์เราใดยังไม่สามารถถอนหรือละอัตตาทิฏฐิสักยะทิฏฐิได้สัตว์เหล่านั้นย่อมได้รับผลบาปประกา ร, รบาปปฏิทิเป็นต้นถามว่าจะต้องได้รับบาปปฏิทิอย่างไรสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตตาทิฏฐิย่อมไม่สามารถที่จะ พ้นจากผลของบาปประกรรมบาปประฏิติเป็นต้นได้ถ้าเราได้คือถามว่ากรรมทั้งหลายที่เราได้ประพฤติสืบสาวยาวนานมาในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นได้ที่สุดไม่ได้เนี่ ย, ยทำทั้งหลายเนี่ยเพราะบาปประกา ร, รบาปประฏิติทั้งหลายเป็นต้นเมื่อมันมีโอกาสมันก็จะดึงชัก ด, ดึงสัตว์เหล่านั้นขนาดสัตว์ที่อยู่ในภาวะกระพุ่มันก็ดึงให้ลงมาอยู่ในใบพุ่มได้ ตาบใดที่ยังละสักยติทิฏฐิหรือละอัตตาทิฏฐิไม่ได้เนะี่ยตราบนั้นก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากผลของบาปรกรรมบาปทิฏฐิเป็นต้นเลยแม้ไปเกิดเป็นในภพถ้าสมมติเราจะไปเกิดในอนาคตเนะื้อภพใภพหนึ่งในอนาคตที่เราจะเดินทางกันยิ่ยาวนานเนี่ยนะมักจะถือมิจฉาทิฏฐิที่ตนเคยยึดถือมักจะประพฤติต่ำ ชาติตามที่เคยได้ทํามาแล้วมักจะทํากรรมชั่วมีมาดูฆ่าปิดุฆ่าอรรัตน์ตะฆ่เป็นต้นตามที่เคยทํามาอย่างอย่างเคยชินแม้ในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันนะสัตว์ทั้งหลายก็ยึดถือประพฤติกระทาในสิ่งที่เป็นมิจฉาทรเนยที่เคยทํามาแล้วในอดีตเขาถึงบอกว่าอดีตกรรมปัจจุบันกรรมเนี่ยอุปนิสัยปัจจัยยแปกบางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเคยเข้าใจผิดพลาดเนี่ยมันก็จะ เป็นอปนิสัยปร จ, จัยแก่การทําให้เราเข้าใจผิดพลาดอยู่เรื่อยเอาต่ออยู่ต่อหน้าประภาเกิดมันก็คิดเป็นอื่นอยู่ต่อหน้าประภาก็คิดเป็นอื่นนี่เป็นนี้เหมือนวันก่อนอันนี้คุยกันเล่นๆหน่อยคุยกันท่านอยู่คุยไปคุยมาเขาบอกว่าอ้าวไม่ยกไม่เอ่ยชื่อบุคคลเนี่ยเออมีคนคนหนึ่งเขาบอกหือครับ เจอหน้าใครก็ปล่อยขนาดอยาเป็นมุตย์แ้าแต่พอตกตอนเย็นเขาก็ทำดีสินอย่างเงี้ยนีะเนี่ยนะมันมันไอความที่จิตเนี่ยใจหนึ่งใช่ไหมพอมันหลุดจากไอกบาปประกรารบาปปฏิถีได้ชั่วขนาดหนึ่งๆเนี่ยก็น้อมอยากจะได้ดีนะแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกบาปประกรารบาปปฏิทีที่เคยทํามาอย่างยาวนานเพราะละอัตตาทิ่ตีหรือศักยญาตที่ตีไม่ดึงไม่ร่มถับที่อยู่เนี่ย โอ้โหหน้าหนาะวมันเป็นช่วงไงงั้นอยแปลกใจอันนี้ยตาบุคคลเป็นอย่างนี้ม น, นถ้บอกว่าโอ้โหมันมันไม่ง่ายอ่ยมันไม่ง่าย อ, อย่าแปลกแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหศึกษาคําสอนอะไรต่างๆเอาเพอเพอผิดาพาดอย่างนี้นะให้ความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันจะเกิดอยู่เระยะรนะยะเพราะอะไรถามว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความเคยชินเนี่ย อุปนิสัยที่เคยทํามาเคยผิดพลาดมาเต่างๆมันมีกําลังมันยังไม่ถูกละไม่ไม่ถูกประหารก็ใหญ่ไหมมันได้โอกาสได้จังหวะได้กําลังมันก็ให้ผลแล้วเราก็เป็นผู้เผอเลยเขาเรียกปัจจุบันกรรมเนี่ยเราประเภทที่วิริยะกับปัญญาไม่ไม่ดีความเพียรไม่บริสุทธิ์ปัญญาไม่ไม่แข็งแรงเรียบร้อยตรงนี้เวลาศึกษาเรื่องนี้เสร็จก็ต้องไปศึกษาอิทธิบาท ศึกษาสมประทานให้มันชัดในชะศึกษาสติปัฏฐานถ้าอิทธิบาทมังเกี่ยวข้องกับศรัท ธ, ธาวิริยะเกี่ยวข้องกับไหมสมประทานสติก็คือในสติปัฏฐานสมาธิเป็นในฌานสี่ปัญญาก็ศึกษาลีสัตมันจะต้องมันจะต้องชัดลงไปตรงนั้นเลยถ้าตรงนั้นมันชัดแล้วแต่นี้ก็โอ้เดี๋ยวนี้เอาลเริ่มแก้งเลย เรื่องจะทําปฏจจุบันกรรมที่จะต่อต้านกรรมทั้งหลายในอดีตได้ดีขึ้นแล้วจะเดินทางในอนาคตได้ชัดขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเนะชีวิตไม่ใช่ปล่อยเออเลยบาปจะเกิดปล่อยมันเกิดมันยุ่งมัุ่งไม่น้อมที่จะลาบางครั้งเนี่ยต้องฝืนถ้ามันจะคิดชั่วถ้ามันจะทาชั่วต้องฝืนร้องไห้มันอยากจะทําก็ต้องไม่ทํามันอยากจะพูดก็ต้องไม่พูดมันอยากจะคิดก็พยายามละในความคิดตรงนั้นเข้าใจยัง มันขนาดนั้นเลยเนะมันอยากจะคิดไม่ดีอะก็น้อมที่จะละใช้คิดความเพียรใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่ะละมันยิ่งมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต่ออะไรอย่รงนี้ไม่ใช่งั้นตรงนี้ต้องเข้าใจอยากดูไหมอิธิบาทเขารุนแรงกันยังไงจะยกตรงนี้มาเปรียบเทียบอยากเห็นไหมถ้าเขาจเจริญอิธิบาทเขาเจะเลยยังไง แล้เราเราจะได้วัดวัดกำลังเราว่าเราไหวไหมใช่ไหมฮะมันมันจะได้วัดกำลังเราเออเราในประเภทอิธิบาทเราแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ พอะไรไมความลเอียะเอียเนี่ยยากที่สุดอ๋อมันมันไม่แข็งแรงพอวามันเลพราะเหนโทษน้อยหมดคาว่าในอิทธิเนี่ยถ้ากล่าวแบบสรุปๆนี่นะหมายจากคาว่าอิทธนังอิทธิอิทธนังอิทธิอันวความสาเร็จในะชื่อว่าอิทธิเนี่ยหมายจะเอาการสาเร็จชานมากเลยผมคำอิทธิตรนั้นเนี่ย คือได้ฌานเนี่ยสำเร็จเข้าถึงขั้นฌานขั้นมรรคขั้นผลในภาษาศาสนาเนี่ยว่าโดยย่ออิทธิท่านแยกเป็นงห้าอภินเยยเยสุธรรมเมสุอภิญยาสิทธินี่ข้อแรกข้อ2ก็คือป ร, ริญป ร, รินเยยเยสุธรรมเมสุป ร, ริญญาสิทธินี่ข้อที่สองข้อที่สก็คือปหาตปสุธรรมเมสุปหาณสิทธิ ข้อสก็คือสัจจิกาตเพสุทำเมสุสัจจิกิริยาสิทธิข้อที่5ก็คือภาเวตเพสุเนี่ยพาเวตเพสุนะพ เ, เสนี่ยทำเมสุภาภภ า, าวนาสิทธิก็แรกที่บอกว่าอภินเยอภินเยสุทำเมสุอภิญญาสิทธิก็หมายถึงการสําเร็จแห่งความรู้ยิ่งในไหนปกติเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสักการที่ถของสัตว์ทั้งหลายมันไปเกาะติดอยู่ใช่ไหม บุคคลเหล่านี้ถ้ามีอิทธิข้อนี้ก็จะมีความสําเร็จในอารรู้ยิ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามที่ควรรู้ยิ่งอันนี้เป็นสิทธิข้อแรกไอ้รู้ยิ่งในที่นั้นเดี๋ยวท่านจะไปขยายว่ารู้ยิ่งยังไงแบบย่อๆนี่เนาะพวกเราเรียนกันมาเยอะแล้วเนะี่ยขยายย่อก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาไปขยายกว้างข้อที่สอง ปรินเยเยสูทำเมสูปรินญาสิทธิก็หมายถึงการสำเร็จแห่งการกําหนดรู้ในทุกขัสัตที่ควรรอบรู้เป็นสิทธิข้อที่2ข้อที่3ปหาตัดเพสูทำเมสูปหาสัตสิทธิก็คือการสําเร็จแห่งการละในทุกขสมุทยสัตที่ควรละเป็นสิทธิข้อที่3ข้อที่4ีสัชิกาตัดเพสูทำเมสูสัชิกิริยาสิทธิการสําเร็จแห่งการทําให้แจ้งในธรรมที่ควรทําให้แจ้งเป็นสิทธิข้อที่ส ข้อที่5ภาเวตเพสุดมเมสุภาวนาสิทธิการสําเร็จแห่งการเจริญในธรรมที่ควรเจริญเป็นสิทธิข้อที่5สรุปก็คือว่าสิทธินเนี่ยนะอันอิทธิเนี่ยอิทธชนังอิทธิอันความสําเร็จชื่อว่าอิทธิหมายถึงเอาความสําเร็จชาญความสําเร็จมักความสําเร็จผลชานอภิญญามักผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอิทธิ ไม่มีอิทธิบาททีนี้ในพระศาสนาพระพุทธเจ้าวางหลักอิกทธิเนี่ยไว้5อย่างอภิญญาสิท ธ, ธิคืออะไรคือการแยกแยะพิจารณาปรมาจาธรรมที่ไม่เคยรู้ในพระศาสนาโดยสภาวะแต่ละอย่างด้วยความชำนาญและความฉลาดในไหนในอภิธรรมมัตสังฆะชื่อว่าพินเยสิท ธ, ธิเนี่ยไอตรงเนี้ยสาคัญ ต้องมีความเฉลาดในการที่จะแยกแยะรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณแยกแยะอริยสัจสติปัฏฐานส ม, มะปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องมีความชานฉลาดมีความรอบรู้มีความเข้าใจไม่รุ่มหลงในปริยัติไม่รุ่มหลงในคําสอนของพระเจ้ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างความอย่างทราบซึ้งนี่ก็เรียกว่าอะไรอภิน ญ, ญาสิทธิการสําเร็จแห่งการแยกแยะพิจารณา ใช่ ค, ควรสิ่งที่ไม่เคยรู้ในพระศาสนาโดยสภาวะเนะี่ยโดยปัจจตารลักษณะและก็โดยสามัญยลักษณะให้ชัดมีความชํานาญด้วยในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงตรงนี้นะขอพายนะที่พูดไปอาจจ ะ, ตะเตลิดนิดหนึ่งก็คือว่าชํานาญในคําสอนเนะี่ยสามารถที่จะรู้ทั้งอมีคําสอนที่มีส่วนของพระพิธรรมใช่ไหม แต่เฉพาะอาิธรมมได้สังหาคือเข้าใจชัดเพราะจะได้เป็นกุญแจเลยไหมในการที่ไปศึกษาคำสอนหรือฟังคำสอนล้วแยกแยะได้อันนี้เป็นเป็นสิทธิเป็นอภิญิอภิยาสิทธิได้ไหมข้อนี้ต้องอ ง, อ ง, งนี้นะปะการที่สองก็คือป ร, ริญญาสิทธิคือการกำหนดรู้ ในบรรดาอันใดอันหนึ่งในทุกขสัตว์เนี่ยโดยลักษณะรักษาประดุประยุติานประทัฐานและก็โดยอันนี้จะลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตะกน์ก็แปลว่าถ้าเรียนเรื่องขันห้าต้องรู้ลักษณะรักษาะประยุิปฐานประทัฐานของขันห้าแล้วก็ต้องรู้อันนี้จะลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะของขันห้าให้ดี นนท่านกระชานมรคลที่ปัญหาคือว่าปริญญาสิทธิการกำหนดรอบรู้เนี่ยทำอย่างไดอย่างหนึ่งในบรรดาทุกขัตร์ก็าถามบอกว่าเรารอบรู้ทุกขศัตร์อะไรบ้างในชีวิตเนี่ยรู้ทุกขศัตร์อะไรบ้างใช่มถ้าบอกขันห้าเราก็ได้แยกได้ไหมลักษณะลักษณะประยุทธ์ฐานประทา ฐ, ฐานของรูป ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาแยกได้ไหมถ้าตรงนี้ไม่ได้อะเราจะได้มีเราจะได้ทุกษัตริย์ยังไงแล้วก็ไม่ได้สิทธิข้อนี้แล้วก็จะไปรอะไหมไม่ได้สิทธิข้อนี้ไม่ได้ไม่ได้อิทิบาทข้อนี้เลยไม่มีสิทธิบ์บรร ล, ลุไม่ได้สิทธิข้อนี้ ก็เพราู้อย่างนี้มึงถอนอัตตาทิฏฐิไม่ได้ไใช่ไหมมันต้องเผาตั้งหลายรอบสนิมนิ่มอยู่ในเหล็กต้องเผาตั้งหลายรอบไม่ออกหรอกต้องวิจัยขนาดนั้นนะวิจัยจนสามารถเอาสนิมที่อยู่ข้างในคือเผาจนเหล็กตายอยู่เหล็กเป็นเผาจนเหล็กมันตายเข้าใจไหม มี่ใจโยมก็อ่าประวัติเศรษดีมากๆท่านก็จะบอกว่าการที่ท่านเนี่ยมได้ดเนี่ยาได้ทาอะไรที่จะทักใจไว้ในอดีตอะไรเงี้ยกี่องค์ี่องค์ไม่เห็นมีองค์ไหนท่านเขียนเลยว่ามันนั่งเรียนกับมาดอยโยมใช่แ้วโยมโ้ยี เก่เหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเคยมีไม่องไหนบอกว่าเคยเป็นหนพระอาจารย์ในชาตินเนี่ยแล้วถึมาบนยงอย่เพี้อ่ะยงเราจะองนยว่ามีแต่ไปทำอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือว่าล้านดีเออทำอะไรสารพัดทำยกก็อ่านมานะอ่ยงตอบเลยที่ิจะเชื่อตอบ มีอยู่ตรงไหนโยมอ่านข่าตรงไหนเล่มไหนท่านบอกให้ยกไปอ่านค่ะไปต่อเลยจ่ะหมายความว่าโยมอ่านตกไปหรือเปล่าตรงไหนอาจจะมีเพราะโยมเป็นประเทศฐานไม่ได้เอียดนบางีต้องมาเรียนกับท่านอาจารย์นะสูตรนี้ก็อ่านแล้วแต่พอท่าอาจารย์พูดเพ้อตรงนี้เราก็ผ่านไปเฉยๆอะไรอย่างนี้เราเราเดี๋ยวจะอธิบายเลยอันนี้ครับส่วนใหญ่ที่โยมไปเจอสูตรอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นพวก เพราคาถาเทลิคาถาเ่า ะ, ะเป็นชาติแรกๆของเขาโยมชาติแรกๆของเขาชาติแรกๆมันก็ว่ากว่ายโญตัวแรกขนาดนี้ชาติแรกโยมก็มเรื่กอย่างนั้นมาเหมือนกันเลือกคือแค่แคนหวานลานวัดอย่างนั้นมาเหมือนกนีใจอีกเนี่หลังๆเลยใช่ไหมใช่เพราะไปทำชากิแรกๆกันมาปุ๊บครั้งี้ก็ค่อยๆส่งสมนอกจากคุณแบบกว่ยาววิชรไม้บ้างรทานบุญศรบ้าง ก็ขึ้นมาเป็นภาวนามุส่ในการเรียนศึกษาคำมัคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยนโยมเนานะออ่อจาจริงจ้องปัจจัจผิดแล้วเพราะว่าโยมเน า, แแบบายแสดแห่โยมคิดถูโยมแล้วลว่าขั้นชาตินน ห, นนนาาหนึ่งในอนาคตเนี่ยโยมถึงแต่ไม่รู้มัไหลแต่แต่มันอย่างตามที่เรียนจะจะโยมก็นนะแล้มันมีที่สิ้นสุดที่โยมต้องไปถึงแต่ มันก็ดีกัคนบังพ น, นที่บอกอ่าที่ ส, สุดไม่ได้ยงคนเสร็จแล้วก็ดีใจจัาตายที่มาบริษัทแค่นี้ยก็พอใจ น, นะโยงก็เลยแบบไปเรื่อยๆไม่ต้องตอบใหม่นะแต่เงี้ยยงก็พอใจแค่นั้นนะตอบอีกคล้องอยองโยงเ ง, งตอบไม่เสร็จไม่ไม่ก็ตอนนี้พยายามายังไงพยายามเขาที่โยงทาได้ค่ะแต่ก็ก็ไปเ่ไปอย่างเงี้ยเคยบอกว่าที่แบบวุ้ยต้องเพื่อ ขอให้ตายไปวันนี้แล้วก็ไม่ได้ก็ขอยอมตายนิยมยังไม่ถึงเงื่อนแลตรงั้นแต่ว่าอยูเไยวันก็พยายามไปทุกวันอย่างเงี้ยจนกว่าจะหมดลมหายใจเพราะว่านยมนี่ก็ตายวันไหนก็ได้อยู่แล้วอ้าวยังตอบอีกทีทยังตอบ ไ, ไม่เสร็จ ข, <อ>ขบวนก็ยังเป็นอนุรักษ์นะความพอดีว่าตัวเองดีแล้วอยไม่ไม่นิยมไม่ได้ว่าดีก็จะต้องพยา<ก>ยา<ก><ก>มทำให้ดีขึ้นทุกวันทั้งหมดก็คือเวลา ก็คือถ้สังเกต น, นะโยมนะส่วนใหญ่ที่เขาตั้งความทําบุญอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความนะคือเขาป้องปัดสา น, นบุญทุกขุญก็ใส่แรงปัจจัยที่ปัจจัยเฉพาคนจากทุกเช่นบางองค์ก็ตั้งว่าท่านตัดสรุ้ทำเหล่าใดขอเราตัดสรุท้ทำเหล่านั้นด้วยโดยบางคนก็ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมโยมด้วยบุญที่เป็นเองนะระหว่างผลนะบุญมันก็ต้นตื่นนะต้นตื่นแล้วก็ทําให้ปัจนาขึ้นมาจนสุดท้ายโอกกะคนทุกันเนาะแต่แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราไปคิดว่ามูายไม่ไรสักวันหนึ่งเราก็ต้องคนเราตั้งบารา์ธนาแล้ ว, วาลาแล้วเราก็กว่านานเจดีแล้วเราบูชาใส่บาตรแล้วอะไรต้นนั้นก็มันก็จะอีกนานอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าความเพียรเราระดับไหนนั่นเอใช่ไหมเพราะทั้งหมดก็คือเริ่มจากบุญเล็กๆ เ, เพื่อพัฒนากําลังของบุญถ้าพูดถึงอิทธิบาทก็พัฒนาฉันทะอริยจิตฐ์วิมังสาให้มันเป็นให้มีกําลังจนเป็นอิทธิบาทขึ้นมาได้เ ม, ม่อไหร่ พรอิทธิบาทเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่หก็ถึงจะมีกําลังเพียงพอที่ทาให้สมเด็จชาญมรคนิพพานแต่ถ้าเราเยังไปไม่เป็นายเดี๋ยวเราก็รวยไม่เป็นไรจะเยเ็นเย็นนะจะเย็นเย็นชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าชาติหน้าไม่ได้ก็ชาติตัดๆไปนะฮะมันก็อีกนานโยมแต่ถ้าเราบอกไม่รู้ว่าว่าตั๋ที่เราเกิดมามันน่าจะนานแล้วนะอะไรเงี้ยนะเราต้องเคยกว่าล้านเจดีย์มาไม่รูก้กี่กี่พันล้านชาติหรือกี่พันสอสังขัยนะ กี่พันล้านอะสงขายไปแล้วนะนี่สมําิไม่พ้นสักทีหรือว่าเพราะเราโมแต่ชักช้าอยู่ก็ไม่รู้ถึงจะเป็นตนถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บนี่จะเป็นอาหารของความเพียรโยมเพราะว่าที่โยมที่โยมบอกว่าโยมก็ศึกษาหรือว่าวุฒิยะจะเกิดที่นั่นก็าอาศัยคำสิบประการที่ไมโยม แ, แต่จะทํามามันไม่เกิดก็เพราะว่าบางทีเราเราเป็นคนค่อยเป็นค่อยไปเกินไปเราไม่คิดว่า <c oughs> ถ้าสำนวนสำนวนแบบไทยโบราณก็เราไมคิดว่าน้ําขึ้นให้รีดตัด นี่สมัยพุทธกาลแล้วน้าขึ้นแล้วเราไม่ได้ตักเราบอกใเจ็อบเดยวน้าน้าหน้ามาค่อยตักก็ได้อะไรลำบากนิวมันยามันเลยไม่ค่อยเกิดี่มันขูดออกยากไงเพราะว่ายมเนี่ยนะตั้งแต่เกิดเลยคนขเกียนี่ยอมรับก็เพิ่งยอมรัความจริงเลมันเป็นอย่างนี้มาั้แต่เกิดเลยแต่โยมก็จะหายโยมก็โยมมาเรียนทิฏิอยู่โยมก็จะรู้อ๋อที่เราบอกว่าเราเป็นคนที่เจียจไม่ใช่เรา ขีน้ท่าเฉยๆไม่ใช่เราขี่เกียจขน้วไม่ทาก็อย่างหนึ่งที่ที่ทเขาไมเห็นว่าเราผู้ขี้เกียจก็อย่างหนึ่งอ๋อถ้าสลับสลัทิ้งไม่ได้หายเลยหมดสลับควขี้เกียจไม่สลับสลความเป็นตัวตนว่าคนอย่างเราเป็นคนขี้เกียจเรดีตอนนี้เราเรียนมาแล้วรู้เรื่องปุกนิเรยัจจะเราก็รู้ามันสิ่งเรามอยู่อ่ะอย่ไปรู้แบบจำนอนดี ไม่รู้แบบจำนวนเดี๋ยวเขาจะออกมาอะไรรู้ไหมเ<ช>ขาออกมาเหมือนาราชบุตลาลารราชบุตรถึงเหมือนกับลูกลูกลูกของคนที่เป็นาปราชบุตรกับขอทานตอนเนี้เราเขามานั่งคิดว่าเอะเราเป็นขอทานหรือเป็นาปราชบุตรถ้าเป็นขอทานเราไม่มีโอกาสเ ป, เป็นพรราชาถ้าเป็นาปราชบุตรเรามีโอกาสเ ป, เป็น พระราชาเราจะคิดว่าตอนนี้เราเป็ น, นอะไรถ้ายกโอมมาสองข้อ น, นี้เราจะเป็นอะไรจะเป็นจะเป็นขอทานหรือเป็นราชบุรุษถามว่าการจะเป็นพระราชาเนี่ยก็จะต้องคัดเอาขอทานหรือคัดเอาราชบุรุษฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะบรรลุเนี่ยใช่ไหมคนที่หมดโอกาสบรรลุเหมือนขอทานหมดโอกาสคนที่มีโอกาสที่จะบรรลุเหมือนราชบุรุษ ถ้าก็ถามว่ายอมจะยอมเป็นราชบุรุษหรือเป็นขอทานแร่ก็ต้องอยากเป็นะแต่ว่าแค่อยากแบบจริงมันไี่เหมือนกังความอยากก็อยากอยู่เอ๊ะโอ้โหโยงความอยากที่เป็นฟองหกไม่ตอนนี้ยตอนนี้ตอนนี้เป็นอะไรอยู่ก็ โยกก็ว่ายโกก็ตีะ่ยมมันก็เป็ น, นอะไรอะไการญาต ท, ท่านว่า ก, ก็มันก็ยังคุดไม่ออกหรอไม่แนตอนนี้ถ้าคูดไม่ออกก็เป็นขอทางมันต่ยมก็ไม่ยอกเป็นขอทานยมให้โปม่ถ้โปที่ไม่ได้เรียนออนี่นี่นี่เป็นโรที่ปเดนอยู่อ๋อไม่แน่ยอเผิดเขาสังสารวัตรเขาขาดเร็วกว่าเราก็ได้ใช่ไโยกก็คิดอย่างนั้ไม อาต่อตรงนี้เอยังยังไม่หลุดนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอาใหม่คือปริญญาสิทธิก็คือการกําหนดรู้เนะี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทุกขศักดิ์โดยลักษณะรักษาปัจจุบันประทัดขา น, านและก็การกําหนดใครครวนด้วยความเป็นอนิจจารักษณะทุกคลักษณะและก็รนัตตลักษณะอันนี้ย่อยๆอย่างนี้ก่อน นี่เรียกว่าปริญญาสิทธิประการที่สามประหารสิทธิสําเร็จแห่งการละกิเลสที่เป็นสมุทยาาัยสัจจ์ทีนี้กละอะไรละสักกายทิฏฐิถ้าเราโดยเด็ดขาดคือพระสวัสดิบาลถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเพียรพยายามในการที่จะละสักกายทิฏฐิโดยการเจริญสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นใช่ไหมใช่การศึกษาพระธรรม เราจะละสักยยะทิฏฐิอย่างไรก็ต้องรู้จักสมาทิฏฐิรู้จักสมาวยามะรู้จักสมาสติแล้วก็รู้จักมิจฉาทิฏฐิรู้จักมิจฉาวิยารมิจฉามิจฉาสติเป็นต้นในกรณีที่ฟังพระธรรมเนี่ยต้องสมาทิฏฐิเดินและในขณะเดียวกันก็คือมันจะมีสักยยะทิฏฐิเข้ามายึดว่าเราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบเราคงบรรลุก่อนคนเดินทางถนน ไอ้ น, นี่คือสกายยะทิฏฐิไอตรงเนี้ยเขาแปลว่าไม่รู้จากสักายไม่รู้จากมิจฉาทิฏฐิตัวสมาธิติต้องรู้จากสมาธิติรู้จากมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอจึงจะเป็นสมมาธิิแต่ถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้สกายยะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกินเอาแล้วไม่รู้ความรู้นั่นก็คือมิจฉาทิฏฐิเมื่อเดินด้วมิจฉาทิฏฐิแล้วจะเป็นไปกับการละสักายะทิฏฐิได้อย่างไรเห็นไหมเพราะมันก็เปรียบเทียบมันก็เปรียบเทียบ สัตบุคคลมันก็ยังมีสัตว์บุคคลความเข้าใจยังเป็นสัตว์บุคคลอยู่แต่ถ้ารู้ว่าปัญญานั้นเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่ทํากิตในการเข้าใจแล้วก็ไปรอบรู้ความเป็นสัตว์บุคคลนั้นเป็นสมมุติที่เราท่านทั้งหลายก็สมมุติกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยางเป็นสกายะแต่สําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็น สักกายะทิฏฐิถ้าไปสําคัญว่าสิ่งที่เนื่องจากรูปเวทนาสัญญาสัญขารมยานว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนั้นเป็นอัตตนิยะแล้วก็เออเนี่ยก็ในเมื่อตนมีแล้วอัตตนิยะก็ต้องมีแต่ถ้าตนไม่มีแล้วอัตตนิยะจะมีได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าถอดถอดทั้งตนและถอดทั้งอัตตนิยะได้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มเข้าใจว่าฟังธรรมเพื่อการขัดเกลาอ่านพ่ะไตรปิฎกเพื่อการขัดเกลา ศึกษาคําสอนเพื่อการขัดเกลีอย่างนี้ก็แล้ ว, วิปัสนาสมาธิที่มันเดินในขณะฟังพระธรรมฉลองว่าในสมัยครังพุทธกาลเขาต้องฟังกันแบบนี้เขาจึงบรรลุแสดงว่าเราเรียนมาสิปีเนี่ยเราก็เป็นผู้เราเราเป็นผู้เรียนมาหมดเลยในเมื่อเราเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้รอบรู้ที่ผ่านมาแบบสิปีมันก็คือถอนสกิรญทิฏฐิไม่ได้ถอนอัตต า, าทิฏฐิไม่ได้ก็แปลว่า ไม่รู้จักสมาธิที่ว่าเป็นสมาธิไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเราก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แสดงว่าเราก็ผิดแล้วเอาเวลาเรียนมาตั้งไม่ได้ในสังสาร ว, วัฏถ้าผิดก็ยอมรบมับความผิดก็ตั้งหลักใหม่จะบอกว่าสายได้ไหมมันสายมาตั้งนานแล้วมันสายมาตั้งนานแล้วใช่ไหมก็มาเรียนผิดมันเข้าใจผิด ปกติพาและบุตชนเขาใจผิดแล้วก็เรียนผิดกว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าอยู่ไหมบางทีอยู่ต่อหน้าพระพักก็ยังก็ใจผิดอยู่มันเขาคงจะอย่างนี้แหละมันตึงเป็นแบบเนี้แต่ประเพื่ที่ไม่แรงมันไม่ถล่มลึกก็ยังกลับเนื้อกับตัวได้เนี่ยเราไม่ปล่อยให้นนื้อตามิจาทิฏฐิเกิดล่วงเกินเจ็เช้านะ ก็เป็นผู้ที่กลับไม่ได้ถอนไม่ได้แม้แต่แม้แต่พระเจ้าแก้ไขไม่ได้แต่เรายังไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องถอนไอตัวประธานของเขาคือสกยาทิฏฐิต้องถอนก็ต้องรู้จักเขาตั้งแต่วันนี้นี่เขาเรียกว่าฟังแล้วแก้ไขฟังแล้วจัดการกับความเห็นผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นไปในลักษณะนี้<ม>เออมันจะเป็นใบประกาศขกา่าจริๆใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้สังเกตตัวเองเนี่ย ก็เรียนก็เรียนไปฟังก็ฟังไปเราก็น้อมเอออย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดไลยเพราะว่ากันไปก็นั่งเถียงกันหน้าดำหน้าแดงบางทีใครพูดไม่ถูกก็โอ้โหรู้สึกขัดทือกใครพูดถูกก็รู้สึกชอบใจมันก็อยู่อย่างเนี้ยเอ๊ต่อไปตั้งหลักใหม่ใช่ไหมตั้งหลักใหม่ก็มาวิจัยหมอออกไม่เท่นี้เป็นมันเรื่อมจะเริ่มเริ่มต้องต้องมาวิจัยยังไงนี่ต้องเข้าใจ คือประเด็นอยู่ตรงไหนหยอกพิจารณาแค่ว่าเป็นทุกเป็นอย่างเนี้ยอนัตตาไม่ได้คืออย่างนี้ยกตัวอย่างนี้ดีกว่าว่าเราอาจจะไม่เก็บทุกประเด็นเพราะเราไม่ปรารถนาปัญญาย่างภาษารีบุตรพระประเจริญพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแต่ประเด็นหลักต้องเข้าใจเช่นจะวิจัยขันห้าจะไม่รู้ลักษณะรักษาะปัจจุบานราพระราธานต้องการห้แล้วจะพ้นทุกอย่างไง ถ้าไม่รู้ลักษณะของนาำเลยลูกจะพ้นทุกอย่างไงเขา้าใจยังเขาต้องบอกว่าทุกศาสตร์นั้นเนี่ยไม่ต้องรอบรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสแสดงแต่ที่มันประเด็นแห่งการที่เราจะวิจัยเพื่อเป็นช่องทางการบรรูุทั้งรู้ไม่ใช่โอ้โหเขาเรียน <c oughs> คือคือต้องการหาเพื่อนว่าในห้องได้จิตจิตหรือไม่เพรานหนึ่งหรื โย่พิมแหกยหละ่ไจีลอกแจกไๆคูนตะหลุนเลก็ไ้เก็ไม่เลีนแต่ไม่เคยท่องเลยเก็ิลลูะของขนาคสท้ก็ลูอแสมาวะททั้งหมดคือคือบางทีเนี่ยเอานี่นะคือคือปัญหาอยู่ตรงนี้คะับแ่ถ้าท่องได้แล้วไม่เข้าใจก็วิจัยไม่ได้อีกเข้าใจไหมบางคนก็ท่องอะไรไม่ค่อยได้มากหรอก แต่เ <sh> ็า hmm. ําล no no no ักษณะได้แลวเขาเขามาไข้ควรบ่อยๆอยกตัวอย่างเช่นรูปขั้นเก็รู้ลักษณะรักษาประดนระธาุฐานของเขาเวทนาสัญญาสัาบัญญัรู้อเขารู้สไอ้าตัวนี่แหละแล้วเขาวิจัยอยู่งั่นแหละใจเขาวิจัยเขาไม่น้อมท่องเร่องอื่นเลยเอาอ๋อไม่ต้องอ่านเ็นเยใช่อาวช่วเ็นเรื่องที่มดยลักษณะ เพราะว่ามันจะไปรู้ทุกตัวไม่ได้ยังไผัดสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตไม่อาจจะไม่ทันก็ได้แต่คนที่เขามีปัญญาที่หลักแหลมหรือว่านั่นเขาจะเข้าใจพวกนี้เพราะเพื่ออะไรเขาไม่ต้องการไปรู้คนเดียวเขาไม่ต้องการไปรู้คนเดียวเขาต้องการแนะนําคนอื่นได้ด้วยเขาเขาขอขอากาศประเทศไทยยอมยังนึกเลยว่าชาติหนึ่ง ย็ต้องเก่งอาจารย์แ่แหละโอยอยไปตั้งหิกงั้นอันมาไม่ได้เก่งเลยเลยก่อนแล้วหวางเดินทางโยมก็คิดสงน้าโยมกำลังเดินทางอยู่้ว<ฤ>มีชาตินึงเพราะว่าชานี้โยมเิอมาแล้วเดี๋ยวต่อโอไปตั้งไปตั้งงั้นตั้งผิดแล้วใจเป็นเรื่องเปิดกันนะเรื่องเคยคิดอย่างนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วเดย เพราะจริงๆเนี่ยบางทีบางทีบางทีถ้าไปตั้งอย่างนั้นไปเสร็จเนี่ยเหมือนอาละมาอือาดเลยไม่มาอืดอาดทันทีเลยเพราะอาละมาไม่ได้ไม่ได้เก่งใช่ไหมตอนเนี่ยอาจารย์อ่านแล้วก็พูดได้ยศก็อา่านมดแล้วที่อาจารย์สอบอกให้ไปอา่านยศก็อา่านได้หลายรอบเลยอะไรอ่อานคนกลอดภัยอะ ก็เป็นอย่างนี้อ่ะอ่านแล้วอย่างนั้นอะเหมนควายไมใช่มันคือั่านอ่านอ่าอานไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่ามันจะไปลึกซึ้งอะไรอะก็ได้ในตัวนังสือนังสือกับ้านอย่างไีอย่างนั้นอไรอย่างเงี้ยมันไม่ไปลึกเข้าใจเพราะว่าจริงๆตรงนั้นก็บางทีเียวมาจะเกิดอยู่ในที่ที่ไม่เดือดร้อนไม่อะไรมา ไอ้มาเกิดในที่เดือดร้อนด้ยเกิดในป่าในดงเกิดมาแล้วต้องทนลําบากเมื่อวานยังเล่าัห้นายโยมฟังไอ้มาเนี่ยต้องต้องต้องเอาบปนทุกไม้เนี้ยก็อเอาหัวควายไปดันทุกเนงะี้ยใช่ไหมพอเป็นทุกเบสเสร็จแต่เราจะต้องช่วยเขาดันเกวียนดันล้อดันเกวียนบางทีนี่ทางลงหล่อย่างลึกเลยแล้วกลัวจะขึ้นได้เราหาวิธีบางทีต้องไปพูดกับเขาบอกงานนี้เอาให้ได้นะ คุยกับเขาดีๆตบข้างเขาคุยที่ช่วยเขาดานเห็นเขาน้ําตาไหล ช, หชวยาจัก็มียกตัวอย่างอาณาจักอาจจะอยู่ในในสถานการณ์ที่จะต้องทุกข์ลาบากหรือเห็นความทุกข์ของสัตว์เห็นความทุกข์ของตนเองในทีรับความเดือดร้อนมามันอาจจะช่วยได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งมันจะทําให้เรา<ม>กลัวภัยอย่างนี้ก็ได้ มาก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่านี้นี้อาจจะส่วนหนึ่งแต่บางคนอาจจะเกิดมาไม่เคยลําบากเท่าไหร่ทั้งๆที่ลำบากนั่นแหละแต่ไม่เขา้าใจวัตถุเนี่ก็เหมือนกับที่ว่ า, ายอมบอกว่าไม่เคยไม่เคยรู้ความทุกของการเลี้ยงลูกเลยจนมารู้ตัวอีทีแก่ใช่แล้วที่ยอมพูดนั่นคืออะไรเขาเรียกว่ามันเพียนใช่ไหมมันเพียนพยายาม ถ้าจนลืมลืมกินเลยอ่ะบางคนเนี่ยลืมกินลืมแก่ลืมเจ็บถ้านนูกบอกว่าเอาทีพลิกความเพียรอันนั้นเนี่ยกลับมาเพียรในศาสนาให้ลืมมองตะวันขึ้นตะวันตกมองเลยว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนจนถึงขนาดว่าไม่เคยเงยหน้าดูข้างฝาเลยเห็นแต่ดอกไม้มันร่วงลงมาอ้อเนี่ยมันผ่านไปหนึ่งฤดูแล้วนี่ผ่านไปหนึ่งฤดูผ่านไปสามสิบฝนเนี่ย หกฝนจึงได้บรรลเงียนั่งร้องไห้ยอย่างเงี้ยยนไอ <c ười> <c ười> เลี้ยลูกมันตันหาผ่านไปไม่รู้ตัว <c ười> มันไม่ได้รู้สึกว่าเพลินเลยเพราะว่าสันหายดูให้ตัวอย่างก็ใช่ไงตรงนี้เราก็บอกว่าเอา้าเอามาทำทางนี้แบบนั้นเลยอันนี้มันไม่ใช้ตตันห า, าแต่จาใช้อิธิบาทโยก็ไม่เคยจะเกิด เอ๊ะมีว่ามีที <Albert> ่บ้านเลี้ยวว่าเลี้ยวกว่าเอ๊ะแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดว่ามีคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะเออมีเออแปลกดีอดีนะที่เราได้ฟังขอบคุที่ก็พี่กล้าแสดงเออเพราะว่าคนคิดแีเยอะค่ะแต like ่ว่าไม่กล้าแสดงออกมาอ๋อเอ๊ะเคยได้ฟังไห้ย้องเคยฟังคนคนที่มีความคิดแบบนี้ที่ผ่านมา เค <c oughs> ยเจอไหมน่าจะมีเยอะครับแต่ไม่ดพูดออกมายคทีที่ยงกที่ดัอาจารย์จะได้แก้ไข <c oughs> งัต้นเดี๋ยวดูต่อไปนะมันอาจจะ เ, เป็นเรื่องที่น่าคิดดี ประหารนสิทธิที่ดังที่ได้กล่าวก็คือว่าการละสักยทิฏฐิถ้าเด็ดขาดก็คือพระโสะดาบันผู้เสวยภูมิตามลำดับที่เป็นผู้ต่ำสุดในบรรดาพระอริยนะนั่นแหละแต่ถ้าหากเป็นไปในลักษณะของบุคคลโดยทั่วๆไปที่ปรารถนาจะทําให้ถึงทําให้นะบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่เข้ารูุ้ธรรมให้แจ้งในธรรมที่ยังไม่เข้ายังไม่ทําให้แจ้งนั้นก็ต้อง เริ่มจากการเจริญวิปัสนาสมาธิตีดังที่ได้กล่าวเพื่อจะละสักยทิฏฐิและก็วิจิกิจฉาและในส่วนจริงก็จะได้ถอนสักยะทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดเมื่อได้เป็นผู้สอดาบันเป็นต้นนั่นคือปัญหานสิทธิประการที่4สัจจิกิริยาสิทธิก็คือการสําเร็จด้วยการทําให้แจ้งซึ่งนิโรธาสัจจ์ที่ดับกิเลสและขันเป็นต้นหนึ่งประการที่ห้าก็คือภาวนาสิทธิอันนั้นพูดถึงในเรื่องของสิขาสาม คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะเนี่ยเพื่อจะพัฒนาให้เป็นโลกุตระที่ลําดับของวิสุทธิดังที่ได้กล่าวบ่อยๆนั่นแหละก็คือเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธเเเิเป็นต้นไปเป็นเป็นต้นดําลําดับที่นี้พอพูดถึงในเรื่องของอิทธิบาทคําว่าอิทธิยาปาโทอิทธิปาโทมูลรากแห่งความสําเร็จเรียกว่าอิทธิบาทนี่นะอิทธิบาทมี4อย่าง ชันทิตทีบาศวิริยะที่บาจิตติติที่บาแล้วก็วิมังสิตที่บาฉันทิตปาฉันทิตทิปาโทอิทิบาทคือฉันทะวิริยะที่ปาโทก็อิทิบาทคือวิริยะจิตติติปาโทอิทิบาทก็คือจิตตาคือจิตนั่นเองวิมังสิติปาโทก็อิทิบาทคือปัญญานี่นะชันทะคืออะไรต้งเจอด้วยเราจะมีไหมข้อนี้นะความพอใจความต้องการให้เกิดขึ้น ความต้องการให้ถึงความต้องการให้สมบูรณ์ความต้องการให้สําเร็จเนี่ยนะเป็นชันทะอย่างแรงกล้าทีนี้ฉันท้ายอย่างแรงกล้าหมายถึงไม่มีผู้ที่สามารถที่จะรบกวนไม่มีใครสามารถที่จะมาขัดขวางเวลาฉันท้ายนั้นเกิดขึ้นในสันดานภายในของตนและภายนอกก็คือชันทะที่สามารถตายได้ ถ้าไม่สําเร็จตามความประสงค์ถ้าไม่ได้อิทธินั้นๆจะไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ได้ตายซะดีกว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยนี่ก็เรื่ออิทธิบาทให้สังเกตุพราะอาริยะทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่ก่อนจะเป็นภาริยาทั้งหลายเนี่ยท่านทุ่มอย่างนั้นเลยแต่ว่ากําลังท่านนั่นเออวันเมื่อวานี้ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างที่กล่าวให้ให้ให้ท่านยงปัะเดี๋ยวขอจำชื่อท่านมา<อ>เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศ็มาแต่มาจำชื่อท่านไม่ได้ไงอขอดูชื่อพอดีลืมชื่อท่านพอจะพูดหน้างอีกง้างหนึ่งชื่อไอ้ทั้งนี้ชัดฮะเอเอ เพราะว่ากรณีที่ที่ท่านพูดเนี่ยทำให้เรามองเห็นมองเห็นว่ากรณีแห่งการเจริญอกทธิบาทเนี่ยต้องโดยเฉพาะชั้นชั้นที่อธิบาทเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นข้อเปรียบเทียบทำให้ทาให้เห็นว่ากรณีแห่งการที่เราจะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมีเรื่องประกอบในการที่จะต้องทำความเข้าใจถ้าอย่างนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงถึงต่างๆนี่คือต้องอ้างชื่อท่านหน่อยนะอาจารย์สัตตะมโชติกะเนี่ยธรรมจริยะเนี่ยท่านไปกล่าวท่านกล่าวในเรื่องของท่านไปกล่าวคาถาไอไปกล่าวบรรยายเรื่องอภินญาเรื่องอภินญาท่านกล่าวเมื่อวันที่ห้าธันวาสองสี่เก้า้าเวลาสิบห้าจุดสิบหนึ่ที่พระบูสดวัดมหาธาตุวัวราชสิ ท่านไปบรรยายเรื่องอภิญญาท่านเรื่องอีกที่นี่แหละอภิญญาสิทธินี่คือท่านก็พูดถึงเรื่องอภิญญานะท่านขึ้นคำว่าศาสนาศาสนาวุธีพระวัตถุสัพดาศาสนาบีเจโรกัญยาเดวะและวัตถสาเป็นต้นก่อนท่านจะกล่าวท่านบอกขอปริยติศาสนาปฏิปฏิศาสนาและปฏิเวทศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจงเจรเรื่งเรืองตลอดการเป็นต้นนี้ก็ว่า ท่านก็ตั้งปัญหาปัญญาคืออะไรัญญาเป็นโลกย้าหรือโลกุตละปัญญาเกิดทางไหนในร่างกายปัญญาสายไรเกิดและปญญามีกี่อย่างบุคคลจะพวกไหนที่จะได้ปัญญาในปัจจุบันเนี้ปัญญาเกิดขึ้นหรือไม่เออตรงนี้พอพูดถึงปัจจุบันเนี้ปิญญาเกิดขึ้นหรือไม่ท่านกับเรารายละเอียดมาไม่ตามนะ้อตรงนั้นเลยเนานะก็ท่านก็บอกว่ามีอาจารย์หมาเทระรูปหนึ่งท่านบอกอย่างงเออ ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่ายังมีอภิญญ์ยาไหมเขาบอกว่าเคยปรากรในประเทศพมา่าในสมัยที่มีก็ย่ำเป็นดินมีหมหาเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอูมอูเขมาอูนี่แปลว่าพระใช่ไหมภาษาพมา่าคาว่าอูนี่แปลว่าพระอูเขมาท่านอูเขมาองค์นี้ยแสดงอภิญญาในการห่อได้ถ้านกับเรากล่าวกันว่าหมหาเถระองค์นี้เจริญสมถะอยู่ในภูเขาสกาย ใกล้กับจังหวัดมันเดเลที่ภูเขาสกายนั้นก็มียอดเขาที่ท่านอูเคมาอยู่เนี่ยเรียกว่ายอดเขาปฐมียาปฐมียาเนี่ยต้นเหตุที่ผู้อื่นจะรู้ได้ว่าท่านอูเคมาเนี่ยได้พิญญาได้ฌานได้พิญญาห่อได้นะก็คือเพราะอาจารย์ตีลงสยาดอเชื่อาจารย์ตีรงสยาดอเป็นอาจารย์ของท่านอูเคมานี่แหละเป็นผู้บอก เ่าบอกว่ามหาเทระคือท่านอาจารย์ติติติรงสยาดอยอยู่ในจังหวัดมัณฑะเลเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าในสมัยนะทีนี้ท่านอาจารย์ติรงสยาดอเนี่ยเมื่ออายุหกสิบปีใช่มก็เลิกการงานที่เกี่ยวกับปริยัติท่านเลิกการงานเกี่ยวกับปริยัติและเตรียมตัวเพื่อจะออกเดินทางไปอยู่ที่ภูเขาสกายนี่นะ ในระหว่างที่ท่านเตรียมตัวที่จะไปนะั้นบรรดาศิทธิอนุสิทธ์มีพระเจ้าเป็นดินพร ะ, พ ร, ะราชินีและก็บรมวงสานุวงนี่นะก็พากันนําปัจจัยไปมอบถวายเป็นกัปิยะการโรคให้แก่ท่านอาจารย์ตีรงศยาดรเนี่ยเป็นผู้เคารพนับถือของพระเจ้าเป็นดินองค์นี้มากนยะเมื่อท่านเดินทางไปถึงภูเขาสกายแล้วเนี่ยก็เรียกกัปปิยะการโรคมาก็ถามบอกว่าเออพระเจ้าเป็นดินพระราชนีพระบรมวงสานุวงเนี่ยมอบปัจจัยไว้กับกัปิยะการโรคนะั้น ได้ความเช่นนั้นแล้วท่านก็สั่งให้นําปัจจัยทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ในถุงแล้วก็นําถุงเงินนั้นมาแล้วก็นําไปพร้อมกับท่านที่ใกลๆปากเขียวแล้วก็สั่งท่านก็สั่งให้กับกัปยยะตาโรของท่านเนี่ยนะให้หมุนหมุนไปเสร็จท่านก็ดูอยู่ก็เห็นหันหน้าไปทางปากเขียวไปเวสร็จท่านบเอาโยนลงไปให้หลับตายโยนก็โยนตูมลงไปคือโยนปัจจัยทั้งหมดที่ก็ถวายมาเนี่ยไปเสร็จแล้วก็บอกว่า ท่านก็บอกบอกว่าท่านบอกกับกปัปยาการรบบอกว่าเราไม่ต้องการเงินนี้เพราะเงินนี้พระพุทธองค์ประทานให้แกเราไว้อยู่แล้วก็คือบาทนี้เองใช่ไหมหมายความว่าผู้ใดมีบาทแล้วผู้นั้นย่อมไม่อดอาหารครั้นถึงเวลาท่านก็ไปรับบาทและถือไม้เท้าไปด้วยเพราะบางครั้งท่านก็หกลม้มเพราะยุทท่านเก่ง ม, มากเลยทีนี้ในขณะที่หกลม้มนั้นท่านเตือนตนเองบอกว่า ต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรคือต้องมีน่แหละสมเประธานสําหรับอาจารย์ติรลงศยาดอเนี่ยความประสงค์ของท่านที่อยู่ในภูเขาสกายก็ต้องการที่จะทําวิปัสสนาธุระอย่างเดียวท่านมีความคิดอย่างนั้นขั้นต่อมาลูกศิษย์ของท่านได้ตามมาปฏิบัติและขอร้องให้ท่านช่วยสอนวิสุทธิมรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อในใในแนวนนทางที่ถูกต้องเพราะคนที่ชนานาญในพระไตรปิฎกเนี่ย ถ้าไปดูในมหาเวทละสูตรนะเมื่อวานยังคุยกับพระท่านจะต้องมีบอกว่าในมหาเวทละสูตรเนี่ยถ้าสรุปตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งเกี่ยวกับกรณีแห่งการที่จะศึกษาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นปัจจัยการบรรลุเนี่ยหนึ่งการปฏิบัติจะปฏิบัติได้เหตุเป็นปัจจัยการบรรลุได้นีนะแปลว่าอะไรหนึ่งต้องมีโยนิโสต้องมีสัมมาทิฏฐินะ ต้องฟังฟังนี่เกิดความเข้าใจเมื่อฟังแล้วเมื่อฟังนี่เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยความเคารพนอบน้อมในธรรมน้มีน้องแ ล, และอีประการหนึ่งก็คือว่าอีกประเด็นที่เป็นเป็นหลักก็คือว่าเมื่อมีสุดตะมีความเข้าใจแล้วเนี่ยอิสากะาัะฉาต้องสามารถเอากรรมฐานมาถกจนเกิดความเข้าใจในกรรมฐานเป็นอย่างดี ต้องมีความเข้าใจในกรรมฐานนั้นเป็นอย่างดีถึงจะเป็นปัจจัยแกเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นต้นได้แสดงให้เห็นชัดบอกว่าตรงเนี้ถ้าเราเรียนเนี่ยนะเรากรรมาฐานมาถกไม่รอบรู้ในกรรมฐานให้ดีนะให้นี้ไม่มีความฉลาดในในการการเจริญธรรมถากรรมฐานเนีดีนะนี่ติดกระเจ้งมันก็บรรลุไม่ได้ก็อย่างหลายหายท่านในทุกวันเนี้ย เพราะเราไม่เคยเอามาถกกันในเบื้องต้นทางการที่สุดให้มันชัดเพราะมันขัดในมหาเวทละที่ท่านพระมหาโกธีตาถามพระสาวิบูรและโดยมากคนทุกวันเนี่ยไม่ค่อยเคารพธรรมมากไม่ค่อยเคารพฟังพระธรรมก็ไม่เคยเคารพหลับฟังบ้างทํางานฟังบ้างใช่ไหม น, นอนฟังบ้างแค่นี้ก็เจงแหละ แล้วก็ไม่ไม่นอบน้อใจแข็งกระด้างใจหยาบใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม่มีโอกาสการบรรลุยากทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าเพื่อให้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องท่านก็สอนให้วันเล็กกันน้อยส่วนเวลาที่เหลือนั้นท่านก็ปฏิบัติที่ศัสนาของท่านและไม่ทิ้งการไปรับบาตรทุกๆวันทีนี้ ฝ่ายท่านอาจารย์อูเขมาซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านทราบว่าท่านอาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ที่ภูเขาสกายเน่ยไหมทั้งอยู่ใกล้ๆนั้นก็ทราบดังนั้นแล้วก็มาเยี่ยมท่านอาจารย์ทุกๆวันตอนเย็นพอสนทนากรรมาฐานเสร็จเส็จแล้วท่านก็กลับกลับไปที่ภูเขาหรืเจดเีเขาเจดีปฐมณียาเนี่ยวันหนึ่งเวลาเย็นเนี่ยนะท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านอาาูเขมากําลังสนทนาอยู่นนท้องฟ้าก็มืดท้องฟ้าเกิดมืดครึ้ม ทีนี้พอเกิดท้องปลาแสดงอาการว่าฝนกำลังจะตกท่านอาจารย์ใหญ่ก็บอกท่านอูเคมาบอกว่าท่านอูเคมาท่านรีบกลับที่เพราะว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วท่านว่างฝนจะตกแล้วท่านก็เดินเดินไปส่งหน้าถ้าและในขนาดเดียวกันท่านก็มอบอกรีบเดินไวๆนะเดี๋ยวฝนตกเพราะท่านอยู่ภูเขาอีกรูปนึงท่านก็เหลี้ยวกลับ ก็จะเดินเข้ามาความเป็นห่วงลูกศิษย์ก็เดินกลับไปอ้าวไม่เห็นแล้วมองไปกับดินเนี่ยไม่เห็นลูกศิษย์มองขึ้นบนท้องฟ้าเห็นลูกศิษย์หหเหาะเข้าใจไ้มนะท่านก็อุทานออกมาโอ้ยท่านอูเคมาเก่งมากท่านอู่เคมาเก่งมากอุทานอยู่งั้นนะท่านก็อุทานอย่างนี้นะนอนอนนบอกเก่งมากเก่งมากก็อุทานให้กับกับแยกการลบลูกศิษย์ของท่านไปตลอด คือพูดแต่คําเนี้ท่านเก่งมากเลยเพราะตอนอีกวันหนึ่งท่านลูกศิษย์ก็กลับมาอุปถานท่านก็ถามบอกว่าเออยันได้ตั้งแต่เมื่อไหใช่ไหมท่านก็บอกว่าท่านได้โลภิยะปัญญาเออตั้งแต่เมื่อไหได้มา่สองปีที่แล้วที่หอเนี่ยได้แต่สองปีที่แล้วท่านก็บอกเออแล้ ว, แ ล, วแล้วได้ปาได้ทําโรกุตระบ้างไหมวิปัสนาไหมท่านก็บอกว่าไข้ครวนอยู่ พยายามไข่ครวนอยู่ท่านบโอ้โหชมลูกศิษย์ว่าเก่งมากเก่งมากอย่างนี้เนี่ยเนี่ยพอพอเป็นไปในวันต่อมาท่านก็ท่านก็ถามดังที่ได้กล่าวท่านก็ถามว่าเออวิปัสสนาแบบโลกุตละท่านได้ไข่ครวญดูท่านโูเคมาก็บอกว่าได้เคยปฏิบัติอยู่กําลังปฏิบัติอยู่ท่านก็ถามบอกว่าได้สําเร็จรุ่งลุ่ลงไปถึงไหน ท่านบอกการปิบัติท่านก็บอกว่านิวรณ์ต่างๆเนี่ยสองปีมาเนี่ยการมาฉันทาพยาบาทีนามิธาอุทธเจ้กูกุจาวิจิกิจฉาเนี่ยไม่เกิดเลยคือนิวรณ์ไม่เคยเกิดมาแล้วสองปีเพราะ ง, งั้นทา่านวิญญาปาร์ณ์เนี่ยท่านก็ชมเปล่อเลยว่าโอ้ท่านโอเคมาเก่งเก่งมากท่านโอ้เพราะงั้นแล้วท่านก็ต่อไปท่านใค่ควรของท่านตรงเนี้อนยอาจารย์โชเล่าไปแค่นี้จารย์มาเคย เคยเคยฟังสมัยนั้นน่ะหนังสือพิมพ์อังกฤษตเขาออกข่าวแล้วก็พอเออันไปได้ยินท่านอาจารย์ย่านหนึ่งเอามาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะแล้วก็มาเล่าว่าในยกน้นเนี่ยมีพระนี่แหละสองรูปอเนี่ยรูปหนึ่งที่เป็นอาจารย์นี่แหละแล้วก็ลูกสิษย์หอะมายนี้แหละ แล้วแล้วต่อมาก็คือผลปรากฏอ่ะนี่ท่านอาจารย์โชว์เขาบอกว่าท่านอุท่านท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรพาชีวิตทีนี้แล้วไม่ได้เล่าตอนที่ท่านจะหมดแล้ะภาพตอนที่ท่านจะปริมิพานตอนที่ท่านจะปริมิพานเนี่ยท่านก็บอกกับลูกสิท่านก็บอกว่าท่านเรียกมาหมดเลยตอนที่ท่านปริมิพานในถ้ำนั้นเนี่ยท่านบอกท่านทั้งหลาย เราเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันกันกบว่าเ อ, อ, อ่านลายแทงศึกษาลายแทงจนชัดแล้วก็ เ, เข้าไปขุดถ้าในทองนะัออ้นขุดทองในในในขุ ด, ข, ด, ข, ดขุดทองในคับในถ้ำนั้นะใช่ไหมทีบอกว่าท่านก็บอกบัตรนี้่ะเราเราพบทองแล้วเราพบแล้วว่าเร า, เราเดินตามลายแทงเนี่ยเนี่ยเราขุดทองเราเราพบแล้ว ท่านอย่าประมาทกันเ น, นี่ยว่าไงท่านก็บอกเขาสังสารวัฏมีมีภายยังไงก็บอกไปทำํำเหมือนพุทธิจ่าบอกในทํานองว่าสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงเนะี่ยท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะบัดนี้ท่านบอกว่าท่านท่านพบทองแล้วว่าไงแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิปริภาณียาบทเข้าสมาธิอย่างเงี้ย พอพอพอพูดในรักหนังนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเห็นไหมท่านเพียรท่านมีฉันทะเพราท่านบอกท่านชื่นชมเบ็ดเสร็จท่านบอกว่าโอท่านเล่งของท่านมากท่านมั่นใจเลยว่าเราเห็นไหมโลกยธรรมโลกุตตรธรรมยุคนี้มีว่ายุคนี้มีว่าสามารถปฏิบัติแล้วเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าให้เราเดินได้ถูกเป็นไปตามลำดับท่านก็เล่งท่านเลอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้พอพอมาดูตรงนี้ก็พอเปรียบเทียบในอิทธิบาทชันท้าที่บอกว่าถ้าไม่ได้อิทธินั้นๆไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ได้ตายเสดีกว่านี่นะชันท้าของใครของพระเจ้าธรรมโสนนะสนทนะที่ละทิ้งราชบัลลังค์คิดบอกว่าการเป็นพระราชาผู้ปกครองเมืองพระราณศีที่ไม่ได้ยินแม้พระธรรมเพียงคาถาบทเดียว ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็ออกจากเมืองเพื่อไปหาผู้ที่สา ม, มารถแสดงธรรมของพระกัาสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ถ้าได้อีกที่ตามที่ตนต้องการเนี่ยอย่างนี้ท่านก็ได้ใช่ไในกรณีนี้ท่านยกตัวอย่างวาฉันทะที่บวกกับศรัทธาท่านบอกว่าจะมีประโยชน์อะไรโดยคลองเมืองแต่ถ้าเราจะไปดิที่ที่ไหนมีพระธรรมคุณวุฒิยาเพียงหนึ่งบาทกาา้าวานจะไปฟังเราทิ้งทุกอย่างได้แล้วก็ไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกันทะ แต่ถ้าฉันท่าแบบอ่อนๆท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบนะถ้าอย่างของท่านอาณาถาพินพิกาของท่านพระเจ้าพิมพิสารถือว่าอ่อนทั้งท่ๆที่ได้เป็นพระสงฆต่บ้นนี่นะฉันท่าอย่างเนี้ยอทธิบาทข้อเนี้ยไม่แรงต้องแรงกว่านั้นก็ใจอย่างแต่เนี้ยฉันท่าของเราเนี่ยเป็นฉันท่าที่เป็นไปกับตัณหาด้วยส่วนมาก มันไม่เป็นฉันท่าที่เป็นไปกับศรัทธาถ้าฉันท่าที่เป็นไปกับศรัทธามันเป็นปักขันท่านศสถานาเออมันเป็นเป็นศรัทธาที่มันแล่นไปข้างหน้าเราไม่ตั้งบุคคลที่บรรลุอะแรงใช่ไหมเ ช, ช่นท่านผู้นั้นได้เป็นพระโสดาบันเป็นสกาทาคานาคาเป็นพระหลานศรัทธาที่แล่นไปอย่างเนี้ยเหมือนกับบุคคลที่ถกขเขมรมัดตัวเองอย่างดีแล้วก็เห็นน้ํา เป็มแม่น้ําแล้วก็ไหวเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะถ้าฉันทะอย่างงั้นศรัทธาอย่างนั้นเน่ะเขาเรียกว่าเป็นอิทธิบาทนั่นอิธิบาทได้แค่ข้อเดียวแค่นี้ก็บุญแล้วบุญแล้วที่มันไม่ขึ้นเลยอ่ะใช่ไหมอิทธิบาทมันไม่ขึ้นเลยเพอเพอไม่ชอบฟังธรรมะที่ยุ่งเลยแตเนี้ยทีนี้ถ้าเห็นวนทางที่จะจะได้แต่ไม่ได้ท่านต้องบอกบอกว่า ฉันท้าย่อมเกิดขึ้นว่าถ้าเห็นหนทางที่จะได้มีอยู่แต่ไม่ได้การตายดีกว่ากว่าเพราะจิตไม่เป็นสุขเช่นฉันท้าของพระเจ้าเตมียะของพระเจ้าของพระเจ้าหัตถิปาลาเป็นต้นน่ะหมายว่าฉันท้าผู้ที่สละราชสมบัติแล้วก็การสละความเป็นเศรษฐีความร่ารวยออกบวชในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงกระชนอยู่ฉันท้าลักษณะนั้นฉันท้าก็าแรงเขาสละได้เขาทิ้งได้ลักษณะนี้เรียกฉันท้าแร น, นี่เราก็มาเปรียบเทียบ แล้วเขามาเปรียบเทียบว่าจริงๆเนี่ยว่าเราเนี่ยฉันทะเราไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าเขาต้องผีอะไรมากคือฉันท h a มันแรงเพราะการได้ปัจจัยนะของเขาเนี่ยมันพราะมันแรงมันได้ได้ปัจจัยไม่ใช่ว่ามันไม่มันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้ปัจจัยแล้วมันจะเกิดขึ้นเองมันไม่ใช่มันอาศัยปัจจัยในการที่จะเกิดขึ้นบรรดาฉันท h a และศรัทธาเป็นต้นเหไรเนี้ ประการต่อมาก็คือวิริยะวิริยะนั้นเนะี่ยที่ประกอบด้วยองค์สี่ดังที่ได้กล่าวบว่าบ่อยๆเนี่ยเนื้อเลือดใช่เนื้อและเลือดจงจนจงเหือดแห่งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนี่ ย, ยถ้าไม่ได้บรรลุทำ ถ้าไม่ได้ถึงทำที่ควรถึงบรรลุทำที่ควรบรรลุแล้วทําไม่แจ้งทำที่ยังไม่ควรทําให้แจ้งเนี่ยจกไม่หยุดเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกวิริยะที่เข้าถึงสมปทานสามารถบาเพ็ญบริยะได้ย่อมบรรลุย่อมคิดว่าเราจับได้แน่นอนเราจะถึงแน่นอนเราจากบรรลุแน่นอนเมื่อได้ยินว่าจับได้รับความเหน็ดเหนื่อยเท่านี้ทั้งกลางวันและกลางคืนจิตก็ไป ถ, ถอย เมื่อได้รับความเหน็ดเหนื่อยอยู่จิตก็ไม่ท้อถอยเมื่อได้ยินว่าต้องปฏิบัติได้ตลอดหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีจิตก็ไม่ท้อถอยไม่ขี้ขาดอย่างนี้คนที่มีวิริยะาธาตก็เป็นอย่างนี้ถ้าถามบอกว่าอา๋อจะต้องมีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีการปฏิบัติหนึ่งวันพอได้ยินอย่างนี้ยี่บสี่ชั่วโมงใจท้อไหมถ้าสองวันเหมือนท้อไหมถ้ามันท้อนไม่ใช่ถ้าบอกอาคิตหนึ่งไม่ท้อเนี่ยนะ เอเดือนไม่ทอ้อปีไม่ทอ้องเงี้ยมันไม่ท้อเลยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าไม่ขี้ขา่าไม่ขี้ขา่าไม่ท้อถอยไม่เหมือนกับม้าป่าตาขาวเขาบอกม้าป่าตาขาวเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินว่าจะต้องถ้าอย่างเรานี่นะเอ๊ะจะต้องห่างเพื่อนท้อแล้วจะต้องออกจากบ้านทอ้อแย่จะต้องห่างลูกท้ออีก เนี่ยมันยังรักษณะนี้ก็เลยคนไม่มีวิทยาท่าก็ออมาเหมือนหมาป่าตาขาวไม่กล้าออกไปหากินไอหมาป่าตาขาวเนี่ยนะมันอยู่ในโพรงเลยมันไม่กล้าออกไปเลยตรงนั้นมันเป็นหญ้าใช่ไหมมันเป็นหญ้าคามันจะไปที่ตรงนั้นเสือจะกินมันบ้างช้างเจะมันกลัวมันก็นอนขดอยู่นั่นแหะอยู่ในโพรงนั่นแหละก็ออกมาเหมือนคนไม่กล้าที่จะขัดเกลาัวเองเนยเหมือนหมาป่าตาขาว เขาใหญ่ยังเขาเรียกคนไม่มีวิริยาธารธระธาตุอารพธาตุนิกรรมธาตุปรตกรรมธาตุไม่มีก็แค่ขี้ขาดไม่กล้าไม่มีโอกาสนี่ก็ก็มาพิจารณาอย่างนี้นะก็ถ้าหากว่าได้ยินอย่างถ้าหมาบ่าตาขาวก็ขี้ขาดบอกว่าเฮ้ เขายอมทนอยู่ในพงเล็กๆเนี่ยไม่กล้าอย่างเราเนี่ยไม่กล้าอกอกแต่ว่าตากเนี่ยไม่กล้าที่ขาวถ้าบโอ้ยจะต้องไม่ได้ถ้าไปเนี่ยมันต้องหางลูกเดี๋ยวคนนั้นว่าเนี่ยแค่นี้จบแล้วก็คือคนเนี่นนยเขาจะได้อุปมาเลยเหมือนเหมือนมาตากม้าป่าตาขาวแค่นั้นเองไม่กล้ากลัวกลัวหรือ <c oughs> ว่าไง ท่านระดับท่านดีกาจาร์ท่านโอมาแรงนะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันมาโอมาอันนี้จะบอกว่าอันมาโอมอ้ <c oughs> อวยเม่ออกเลยก็ใช่ไงแ ต, แ ต, แต่แล้วมันอดอาหารไม่แล้ <c oughs> ก็กลายเป็นผอมไม่แล้ว <c oughs> แล้วจะถ้ามันกลัวแล้วมันจะได้บรรลุเลยไห ออย่างคนเนี่ยถ้ากลัวการขัดเกลารู้ได้ไหมก็บรรลุไม่ได้ไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกว่ามันมันไม่ต้องใช้ความเพียรแล้วมันมรรู้ได้คือคือมันอย่างนี้ว่าหลายหายท่านในสังสารวัตรเนี่ยต้องต้องเพียร แต่อย่างที่บอกไงบางทีเพียนทํามาให้กินเนี่ยลืมตะวันลืมอายุได้ลืมฟ้าลืมตะวันลืมอายุลืมความตายเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยทําได้แต่พอมาจะมาเรื่องนี้มีข้ออ้างเยอะแยะเข้าใจยังมันทํำไมต่างกันอย่างริบโลกเนี้ยนั่นเขาเรียกว่าเนี่ยที่เห็นชัดว่าอะไรเกิดขึ้น <S <S ถ้าลองจะโกรธใครรงแรงขึ้นมาน่นเรา โ, โหโกรธถึงที่แล้วไม่ยั้งใจเลยอ่ะ ไอคนไหนเพียนผิดแล้วเอาจริงเอาจริงแล้วเพียนถูกก็เหยาะแย่เหยะแย่ไม่อยากจะมาเพียนผิดเนี้ยหัวเอาจริงเอาจริงเนี้ยจะโกรธท่ามชาติก็ยอมใช่ไหมไปในนรกก็จะสู้เงี้ยบางคนเนี้ยเิงหกไใช่ไหมเพี้ยนผิดจะยอมทุกอย่างแต่เพียนถูกไม่เอา กเยอะเท่าเตอนนั้นมันตอนเด็กตอนยุ่งเนตอนยัตแก่หาอะไรก็เหมือนกันดูหาวิทยาอะไไม่ชอหนังสือเลยนี่ยงแบบสนใจอ่านแล้วอ่ะอุยตากันเจอจอมหาอะไรไรเงี้ยนะเรียนมหาอะไรอะไรตุลาเข้าไปต่อที่อเมริกาอเรียนปิยโทก็ไม่ชอบหนังสือเลย เดี๋ยวก็สุดยงก็ได้สบายสบายแต่ว่าเนี่ยนีวงขยันกว่าที่เรียนนั่นไั่นเยอะกว่าเพรดีแล้ววะแม่ใช่ไหมแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าดีแต่มันก็แบบยังไม่เไปไน็นไรงั้นก็หา้าโมงพอดีแล้วเงินทักเนก่อนก็เป็นพาราหังสมาสัมมุทโภคาวะโคถังพระกวันทตังอะพิวาเท สวัค่โตบคาวาโตามูามบังนามะสุปฏิปันโนบคาวโตสาวาสังโกสังคังเอเดคเก็บอที่อ่ะอย่างพระอัพทานภาษาโมกีแบบอยู่ในบ้านท่านนักศึกษานะคะและบ่างที่รวยนะโยยังบอก They clap.